نفعا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض ن ف ع ا َ ن ف ع ا ولا ضراً، ّ ف ع ا ولا ض ر ا ن ق و ل ذ ي ن ظلموا، ونقول للذين ظلموا. التي كنتم ب ِ ه ا تكذبون، التي كنتم ه ا تكذبون، وإذا تطلع عليهم آياتنا ب ي ن ا وإذا ت ل ع ل ي م آياتنا ب ي ن ا قالوا ماذا إلا رجل يريد أني َ لا لا د أن ص د ك م َ م ا كنا يعبد أ ب يع ا ك م قالوا ما هذا إلا إفكتروا وقال الذين كفروا ل ح ق وقال الذين كفروا للحق للحق لم ج ا ء للحق لم جاءهم لا إ ل ا ص ح َّ ر م ُ ب ي ن وَمَا آ ت َ ي ْ ن َ ا ه ُ م مِن ك ت ُ ب َ ي َ د ْ ر ُ س ُ و ن َ ه ا ว َمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ م ِ ن ุญَ ذ ِ ي ر ล بسم الله الرحمن الرحيم إ ลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อั ن ลอฮ์อัลลอ و ์อัลลอฮ์อัลลอ و ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัُลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ وا ฉ ه إ ว ل ل ه ะ ا ิล ل อห์อัล حد ับุลลาสลิ و ละวาฉันว่าอ عبد ه วะรอซูล ه ัลลอฮุม أصبحنا و ب ك ก أمزينا و ب ิก ا نحيا و ب ك نموت و إ ل الل ي ئ ك ن نسور أعوذ ب ي ك ا ل م ا ت الله تامات من شر ما خلا بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่รวมนมาสุบฮ์หรือฟ ajar ที่บ้านของอัลลอฮ์ที่รับทั้งหลายครับและพี่น้องที่ติดตามตับซีอัลกุรอานที่อยู่ที่บ้านของท่านนะครับก่อนอื่นเราต้องชุก้ต่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆพี่นอ้องเพราะการนึกถึงอัลลอฮ์สรรเสอัลลอฮยกย่องชมเชยอัลลอฮ์ Allah, นั้นเป็นเรื่องดีนะครับพี่นอ้องเพราะบรรดา บรรดาณนบีที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเขาติดต่อกับอัลลอ์เขาเชื่อมโยงกับอัลลอ์นบีคนสุดท้ายคือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลามก็ใช้ชีวิตนะครับ23ปีในการถวายแผ่伊ามนี่ก็โยงกับอัลลอ์มาตลอดไม่มีใครที่จะไม่ยึดโยงกับอัลลอฮ์จะนั้นการยึดโยงกับอัลลอ์นั้นน่ะทำให้หัวใจสงบโรคเครียดน่หายหมด แต่ต้องไว้ใจจริงๆนะมาใช่ไว้อลลห้าสิบปอร์ซแล้วก็เอาดุยให้าสิบอร์5ซนไม่ใช่ต้องโยงกับออลล์จริงๆขอบคุณออลล์นะครับที่ออลล์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้เราก็ให้เราตื่นขึ้นมาน บ, บีก็สอนบอกว่าตอนนอนเนี่ยใส่ตอนมันฉี่ใส่หูเยี่ยวใส่แล้วก็ แต่หากว่าไม่ตื่นตะหันยุดเลยมาตื่นมาตอนเช้าอย่างเดียวเนี่ยเชยตอนมันอยู่มันฉี่ใส่หูเรามันก็อยู่ไปตลอดจนทั้งกลางวันเลยท่านวิธีที่จะไล่ให้เชยตอนออกเจ้าหูหรือว่าฉี่ของเัยตอนที่เขาฉี่ใส่หูเราเนี่ยต้องลุกขึ้นนะมาตะหันยุดทามสักสองเราก็อาจวิเต็กสักสามอย่างน้อยนะ แล้วก็นั่นแหละถึงจะอะไรนะฉีของไส้ตอนที่อยู่ในหูเราถึงจะออกนี่แต่เราไม่ปฏิบัติตามนาบีเราก็ไม่รู้ว่าเอจะเอาไส้ตอนออกจากหูทําไงเอาฉีห่หูออกยังไงต้องเดินตามนาบีหมดเลยแต่ไส้ตอนมันอยู่ที่ไหนอีกอ่ะเดี๋ยวจะอธิบาย ท, ที่หลังนะครับขอบคุณเอาล่ะนะครับพี่น้องที่เรามีอัลกุรอานเป็นทางนำสําหรับชีวิตพี่น้องสังเก ต, ตดูี่ สุรภาพตินอ่านวัน ล, ละกีเที่ยวสิบเจ็ดครั้งนะแล้วมันมียวุคหนึ่งอินดีนอฟิโรลกลูสเตอรีนปดประทานทางนําที่เที่ยงตรงให้แก่พวกเราทุกท่านแต่ทางนําที่เที่ยงตรงก็มีอยู่สีกลุ่มด้วยกันหนึ่งทางนําที่ได้มาจากนาบีสองทางนําที่ได้มาจากพวกซินดีกรี ทางน้มที่ได้มาจากโาลาากลซูฮัดะอกฟอรีฮิยูซีกุ่มต้นนัแล้วคนสี่กลุ่มนี้ก็ทาอะไรกันล่ะทำงานจ่าวาอิสลามอย่างอื่นไม่ทำเลยทำงานด่าวาอิสลามเป็นเป้าหมายของชีวิตนะครับขอบคุณอัลลอ์พี่น้อง ท, ที่เรามาทบทวนอัลกุรอานมาถึงโซรัสซาบะแล้วพี่น้องคื้องสังเกตนะคุอ่านที่เราอา่อานกันอยู่เนี่ยอัลลอ์จะเรียกร้องเชิญชวนเราเนี่ย ให้ทิ้งให้หันหลังนะครับในเรื่องของชริกหมดเลยแล้วก็หันหน้าเข้าหาอัลลอ์สุบฮานอ้ววาอละคนที่ไม่ยึดอัลลอ์เป็นอะไรนะเป็นที่พึ่งเนี่ยวพี่น้องยึดสิ่งอื่นมาแทนนี่นะในกุรารนเนี่ยอายะที่จะต่อไปนี่จะได้อ่านอายะนี้นะเท่ากับยึดใชตอนยินยึดใสตอน กราบไสตอนหลอเห็นมนี่าให้อ่านคนานเราก็ไม่รู้พะอ่านคูันเนี่ยอายนีอายที่บเอ็ดของสุรศัก์นี่เรามาดูครับกอลูสุบฮานะกันตะวลยูนามินดูนิมบลกาูยาบุดนัลจิน أكثرهم بهم مؤمنون. <تصفيق> قالوا سبحانك أنت و ا ل ج ن ا من دونهم. بل كانوا يعبدون الجن. أكثرهم بهم مؤمنون. الحمد لله بنوهم. อัลลอฮ์เปิดเน้เราเข้าใจใครที่ไม่กราบอัลลอฮ์ใครที่ไม่ยึดอัลลอฮ์แล้วก็ยึดแนวทางที่อัลลอฮ์วางไว้เนี่ยยึดนบียึดอัลลอฮ์ยึดรอซูลเป็นแบบเนี่ยนะถ้าไปยึดสิ่งอื่นเนี่ยไม่ยึดอัลลอฮ์ไม่ยึดรอซูลไม่ยึดนบีเป็นแบบยึดสุนนะนบีเป็นแบบเนี่ยเขายึดใครเป็นแบบรู้ไหมยิน ยึดยึดยินคําว่ายินในคุณอ่านในตบ้างในว่าไซต์อนยึดไซต์อนเดินตามไซตตอนหมดเลยถ้าว่าเดินตามไซตตอนเนี่ยขาดทุนหรือกำไรอ้าวเรื่องที่เราอ่านอ่านกันมาที่ผ่านๆมาเนีซตตอนมีอิทธิพลเยอะนะมาอยู่กับตัวเราเนี่ยไซตตอนตัวเดียวนะแต่ว่าไซตตอนกับ อารมณ์ความรู้สึกฮาวานับสูเราเนี่ยมันตรงกันเลยนะนี่ใครเอาล้อเล่าให้เราฟังแท่า น, นยึดไชตอนเนี่ยถ้าก็ยึดอารมณ์ตัวเองเหนือคําสั่งของ อ, อัลลอฮฺแทนความดีเนี่ยจะทาําตามอัลลอฮฺทำตามรอสูเนี่ยมันต้องฟืนอารมณ์มันต้องฟืนครับถ้าไม่ฟืนนี่เดินตามไชตอใช่ไหม ต้องฟื้นอารมณ์ฟื้นนิดนิดถามว่าเดินมามัสยิดเนี่ยฝืนอารมณ์เปล่าลุกขึ้นอมาตาจุดเนี่ยฝืนอารมณ์ไหมและทําดีกับคนที่ด่าเราเนี่ยฝืนอารมณ์ไหมนี่เป็นข้อเตือนใจดี่ดีที่สุดฉะนั้นอยู่บนดุจยานี้ถ้าทําตามอารมณ์เมื่อไหร่นะเข้าทางชัยตอนเลยท่านมันต้องฟื้นนิดนิดฝืนฝืนฟืนฝืนฝืนหมดเลยแล้วก็ พอฝือนฝืนไปพักระยะหนึ่งก็ติดเป็นนิสัยลุกขึ้นแต่ถ้ายุดไม่น่าไม่น่า ก, ก็ทําเป็นประจำอยู่แล้วให้อภัยกับคนฝืนอารมณ์ใหม่ๆพออยู่ไปอยู่ไปติดเป็นนิสัยให้อภัยคนติดเป็นนิสัยอีลอร่อยน้องจัดบอกภรรยาหุงอาหารเยอะๆเลยนะตักแกงผสมบะนี้บะนี้วันนี้สักสามสี่บ้านใหม่ๆหรืออื่นอัดเหมือนกันนะโอ้โหไปให้มันมันก็ด่าเราทุวัน ต่อมาพอทำเป็นป น, นิสัยนก็ติดเป็นนิสัยเพราะนั้นฝืนอารมณ์ในระยะแรกๆก่อนน <Okay. S 1> ะอามาดูกรานนะครับก็ดูพวกเขาทั้งหลายกล่าวว่า<อ>พวกเขาทั้งหลายที่ได้มาถึงมาลาอิ ก, กะอ่า mm hmm. อันนี้อัลลอฮ์ฉายภาพเล่าให้เราฟังถึงภาพในโลกอาคริร hmm. ท ah ี่ท่งมมัชัดอัลลอ์จะถามมาลาอิกะอ่าเราจะถามมาลาิกะ ถามว่าไงเรามถามว่างนมนุษย์เนี่ยขบูชาคุณเหรอถามมาเลกาเนี่ยมนุษย์เนี่ยขบูชาคุณจ ม, มากาตอบพราบพราบเขามจะบูชาฉันประกอบว่าตอบว่าไงเรามาสุบะฮันนักก์อุมุอนมหาบุญสูย์ยิ่งแด่ Allah แดท่าน่ะมหาบุญสูย์ยิ่งแด่พระองค์หรือแด่ล l l a h แด่ท่านนี่นะ อันตะ ว, วัลียู่นาอันตะแปลว่าท่านวัลียูนาเป็นผู้คุ้มครองเราวัลีเนี่ยอย่างลูกสาวเรามันจะแต่งงานตรงนี้วัลีใช่ไหมวัลีแปลว่าผู้คุ้มครองมาถึงพ่อไอ้นี่อันตะวัลียูนาอัลลอฮฺเป็นผู้ผู้คุ้มครองเราอัลลอฮฺเป็นผู้คุ้มครองเรานี่ใครตอบนะมาลาอิก้าตอบ ต, อบตอบอ่อนหน้าอัลลอฮฺในวันตียามานู่น ไรักษณวันกิยาตมามีจริงไหมมีจริงครับทุกคนตายแล้วตายเลยไหมไม่ตายเลยครับต้องฟื้นฟื้นไปครั้งที่เท่าไรครั้งที่สองนะอันตะวลลียูนาเมเลกาพูดกับอัลลอ์บอกว่าอัลลอ์เป็นผู้ทรงคุ้มครองเรามินดูนีหิมหาช่พวกเขาไม่อ๋อเห็นอย่างครับหาใช่พวกพวกเนี้ย พวกตะเวทต่างๆนี่นะสิ่งเหล่านี้นะไม่สามารถช่วยใครได้เลยคือพูดง่ายๆสิ่งที่เราที่มนุษย์กราบอื่นจากอัลลอฮ์นั้นช่วยอะไรไม่ได้เลยแล้วจริงไหมจริงพูดมากกว่าไม่ได้ด้วยหาว่าไปหลบหลูใช่ไหมละ่ะท่านนักอธิบายในกลุ่มพวกเรานีนว่าเนี่ยอัลลอ์น่ะเป็นผู้คุ้มของเราแต่เพียงพูดเดียวนี่มาันรายการนะพูดนะ นี่ทาราอามาพูดบนโลกดุลญยญานี้ก่อนตายดีได้ไม่ดีอันตะวัลียู่นะยาอาลัลลอฮ์ท่านเนี่เป็นผู้คุ้มครองเราอดีได้ไม่ดีอัลลอฮ์เราไม่ยึดสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองเรายึดหมอดูก็นี่ก็ผิดนะยึดโตตะเกียร์เล็กๆน้อยๆก็ผิดยึดตะกรุดอะไรแต่อะไรเล็กๆน้อยๆนี่ผิดหมดเลยอ่ะฉะนั้น หัวใจเรามันต้องร0 0ยอร์กับอัลลอฮ์เลยนะไม่ใช่ 80% บนะ 99% กว่าไม่ได้ด้วยต้องร0 0ยเลยเนี่ยต้องฝึกตัวเราเนี่ยให้เราเนี่ยสันอะไรนะศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงบัลกกนูยาบูดูนัลญินตรงกันข้ามบ้านแปลว่าตรงกันข้าม กานูยาบูดูนันยินนี่ยินตอกับอัลลอ์นะอ้าไม่ใช่มาเลย์ต่อกับอัลลอ์แท้จริงพวกเขาเหล่านั้นนี่นะกราบใครพักดีใครพักดีต่อยินั้าว่ายินี่นมาถึงสาก่อนอามนุษย์ที่อยู่บนโลกดุญยาปนีทำไม้ยึดอัลลอ์เป็นที่พึ่งแล้วนะครับพอยึดคยใครแทนร้ไหมยึด กูอานธนะิบายว่ายินแต่ยินหมายิี่กูใช้ตอนแต่ใช้ตอนนี้เอาเราส่งมาอยู่กับพวกเราเี่ตัวเดียวนะ่ะแต่อิทธิพลมันเยอะเหลือเกินน่ะมลาอิก้ามาอยู่กับเรากี่องมาลาอิก้าห้านะ่ะหนึ่งข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาทรายส่แล้วอีกองนี้อีกมาลุ้นให้เราทำนู่นทำนี่ของดีๆเนี่ยมาลาอิก้อย่างนท่านอบูบากตเนี่ยมาล้ ถูกดานาบีนั่งอยู่ด้วยใช่ไหมแล้วก็ท่านอบูบากัตไม่ตอบจช่ไหมตอนถูกดาเนี่ยนบียืนอยู่นบีประพอใจพอท่านอับูบากถูกดาก็เลยด่าตอบพอด่าตอบนบีเดินออกท่านอบูบักก็เดินถามตามนาบีไปว่าเดินออกมาจไมาไหนนบีก็ตอบว่าตอนที่คุณถูกดาเนี่ย ท่านไม่ตอบใช่ไหมมลายก่ายืนอยู่ต่อนหน้าท่านฉันเห็นเนี่ยนัเป็นนบีเนี่ยเราเห็นคนเดียวเนี่ยนะดาตอบแทนท่านอยู่เพราะท่านมาดาซะเองมล า, ายก้าเดินออกใครมาแทนใช้ถอนมาแทนนยังครับฉะนั้นคนจะอยู่กับอิสลามแล้วจะอยู่กับมล า, ายกา้าต้อดทนสูงนะถ้าอดทนไม่สูงเนี่ยรอว่อาฉะนั้นการขอดุทิเนี่ยให้มีความอดทนสูงๆเนี่ยพอพบ มันต้องพอก็ขอให้มีบ้านหนึ่งหลังขอมีขอภรรยาหนึ่งคนขอลูกสักห้าคนอย่าอัลลอขอวันหนึ่งหลายรอบใช่ไมฝุอยู่ทีก็ขอทีหนึ่งอยากจะได้ลูกขอให้อัลลอฮฺจะประทานความอดทนทอยู่ในตัวเราเนี่นต้องขอเป็นพิเศษยึงนะเพราะความอดทนทำให้กิจการอื่นๆสเสร็จหมดเลยถ้าไม่มีอดทนนี่นะ อ, อัลลออักบร มันก็ทำลายตัวเราเองแหละนั้นกันอิสลามนี่เป็นศาสนาที่เราต้องฝืนอารมณ์แล้วก็อย่าทำตามอารมณ์นะบัลกานูยะบูดูนัลจินต้งกันข้ามพวกเขาพักดีเขารวบพักดียินมาจึงใส่ตอนแล้วก็ เราก็เล่าต่อไปอีกอักซารุฮุมบิฮิมมุมินูนในพวกมันนี่แหละในพวกยินนี่แหละในพวกไซตอนนี่แหละที่อักซารุฮุมส่วนมากของมนุษย์มุมินูนศรัทธาเชื่อ <laughs> ส่วนมากของมนุษย์ในเชื่อใคร เชื่อยินแล้วก็เชื่อไสตรตามไสต์แล้วก็ตามยินเพราะว่าอารมณ์กับไซต์อนเนี่ยมันไปกันได้สบายเลยไม่มีฝืนตรงไหนเลยเอา้าเที่ยวอา้าเที่ยวดูละครอร่อยเลยไม่ต้องนมาดนอนโอ้โลมันมันมั น, ม, นมันถูกอารมณ์หมดเลยจะนั่นต้องฝืนอารมณ์ทีนี้คนที่ปฏิบัติอื่นจากเอาลอดทั้งหมดเนี่ยนะเอาลอดโด้ยก ok ตัวอย่างอย่างคือเราเรียนมาแล้วจะมาสุราษฎร์บำรุง อัาเกบุดไปว่าอะไรแมงอะไรนั่งมุมที่เราอ่านมาแล้วนะอ่ยที่สี่สิบลองๆลอ ง, ลอ ง, ลองเปิดดูสิเอาล็อกไนอนพอดครับย่าที่ 48, ทะสะี่สบอมันจะสี่สบมาสยุลลาดีนัตตะฮอลูมินดูนิลลาฮิอัลิยฮ กามสซาลิลังกบูตรอิตตะขจัดบียตาวะอินเอาหนัลบุยุติละบียติลังกบูตรเลวะโนยะลัมที่เรียนมาแล้วนะขอทวนอีกนิดหนึ่งเรจะอธิบายอยานี้ให้เข้าใจ ง, ง่าย <us> อุปมาของผู้ที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองเอาลียะห์เหมือนกันอุปมาเนะยกตัวอย่างให้เห็นนะ่ะอุยปมาอุปมาตัวอย่างคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นที่คุ้มครองเนี่ยกา마ซาลีลังกาบูดแท้จริงดังเหมือนกัอะไร น, นะดังแมงมุมที่ชักใหญ่ ชักย้ายทำรังเหมือนใยแมงมุมที่ชักย้ายทำรังตังค์อาจะอธิบายยังไงอธิบายอย่างายยางี้มีสองอย่างนะใยแมงมุมเนี่ยอ่อนแอใช่ไหมถูกลมพัดพังเหมือนกัรคนที่ยืดอื่นตัดอาล่อเนะี่ยเป็นที่พึ่งนะก็มีโอกาสพังง่ายที่สุดและอีกเรื่องหนึ่งผมไปอ่านครบมาเนี่ยชีวิตของมแงมลงมุมเนี่ยครอบครัวแมลงมุมเนี่ย เป็นอย่างนี้ดูกุรานะอิตตาขอรัตใบต า, าแมงมุมเนี่ยเป็นเป็นมูซับการเป็นผู้ชายเป็นเพศชายแต่เวลเอ า, ล อ, าลวอัลลอฮ์ใช้ในคุรานอิตตาขอราตนี่เป็นเพศหญิงนะเพศหญิงเนี่ยมแมลงมุมตัวเมียนะสร้างลมามแมลงมุมแมงแมงมุมตัวเมียนะชักใ ย, ยนะตัวผู้ไม่ได้ชักตัวเมียเป็นคนชัก แล้วก็ส่วนตัวผู้เนี่ยมันเอาใยมันออกมาแล้วตัวที่ยักใยชักเป็นบ้านที่มันอยู่นะเป็นตัวเมียหมดเลยอ่ะเวลาจะจะผสมพันธุ์ตัวเมียจะแสดงออกจะเปลี่ยนสีล่อตัวผู้ให้มาผสมพันธุ์กับมันพอผสมพันธุ์เสร็จแล้วนี่นะแมงว่าไอ้อะไรนะแมงแมง ม, งมุมนี่นะไม่ใช่ออกออ ก, ออกไปออกเป็นตัวนะออกเป็นลูกนะ พอออกไปลูกพอผสมพันธุ์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเมียจะฆ่าตัวผู้นี่ครอบครัวครอบครัวอะไรนะครอบครัวแมงมุมเห็นยังตัวเมียจะไล่ตัวผู้ออกถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไล่ไม่ให้ให้เข้ามาในรังนี่ถ้าคร อ, อบครอบครัวมุสลิมทั้งโลกเป็นอย่างนี้พังไหมล่ะเรื่องที่สองนะเมื่อคลอดลูกแล้วมันมีไ ด, ได้ได้ลูกแล้วเนี่ยพอลูกโตหน่อยนะ มีความแข็งแรงแล้วจะฆ่าแม่ตัวเองอ่ถ้าฆ่าไม่ได้ก็ไล่ไม่ให้แม่อยู่ในรังเห็นยังนี่ชีวิตของอะไรนะของแมงมุงมทำให้อลอฮ์เล่านะกะเบียร์กุรอานนะฉะนั้นชีวิตของผู้ศรัท ธ, ธาต่อออลลอฮ์นี่นะไม่ใช่ยึดแมงมุมเป็นแบบยึดใครเป็นแบบยึดนบีมุฮัมมัดเป็นแบบเอานบีอยู่กับ อยู่กับภรรยาอยู่ยังไงอยู่กับลูกอยู่ยังไงลูกไล่นบีออกจากบ้านไหมภรรยาฆ่านาบีไล่นบีออกจากบ้านไหมไม่ได้ไล่แต่ชีวิตของแมงมุมต่างหากที่เป็นแบบนี้นั่นที่คุณอ่านที่สั่งเราในอ่านคุรานแล้วก็ชายปัญญารล้ดูต่อไปว่าอินนาอาฮานบุยูดแต่แท้จริงรังที่เบาบางที่สุด ก็คือละบายตีลังกระบตดคือรังของแมงมุมแล้วกนานูยะละมูลถ้าเขารู้วิชาอื่นระศึกษาไปะ จ, จ, ะ จ, จะเจอจะเจออรรรบธรรมัย อ, อล่อยอออยกตัวอย่างใ ย, ยแมงมุมยกทำไมอ่ะหนึ่งบอกบางสองการเป็นอยู่ของมันนี่นะฆ่าไปหมดเลยในครอบครัวน่ไม่ฆ่าก็ไล่อ่ะ กันทาชีวิตของคนนี่นะเอาชีวิตของแมงมุมมาใชานะ้น่ะพังมาชีวิตนะ่ะดุลยาก็ไม่มีบรกิการตายไปแล้วก็ไม่มีบรกิการแค่นั้นให้ยึดใครเป็นแบบยึดซุนะนะฮานบีมีภรรยากี่คนนะ่ะเคยชลอดกับภรรยาไหมเคยตบภรรยาไหมล่ะเคยเตะภรรยาไหมไม่มีนบี ก, ก็สอนเองอนะ่ะมีเงินมีทองให้ดูแลภรรยาให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีดูแลสุราห์กับผลรบุญมีดูแลคนจนก็มี แต่ดูแ like, ลดูแ like ใครเป็นพิเศษดูแลครอบครัวตัวเองเนี่เป็นพิเศษเลยให้มีศาสนาด้วยแล้วก็พอมีเงินมีทองก็เอาเงินให้สาให้ภรรยาชายอ้ซวอโมฮาอาจรอน ม, ม, มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เลย น, นี่ชีวิตของของเราเนี่ยจะต้องผูกพันกับใครนะกับอัลลอฮ์และรอซูลอย่าผูกพันกับอะไรนะแมงมุมเแมงมุมชีวิตก็มาศึกษาดูแล้วเนี่ยแย่หมดเลยนะอาต่อมาครับ ทีนี้อัลมอฮฺก็อธิบายดีนะซุบฮฺานะกะอันตะวะลียุนา่าวะลียุนา่ามหะเบสดิ่งแต่อัลลอฮฺอัลลอฮฺทรงเป็นผู้คุมคุ้มครองถ้านี่มันภาษาของมาเลย์กาเนะถ้าเราอาคนกาเฟสเอาภาษานี้มาใช้ก่อนตายดีไหมเราเองทุกวันนี้ก็ยึดอัลลอฮฺเป็นที่พึ่งอยู่แล้วใช่ไหมขอให้ยึดให้จริง แล้วก็ศึกษาชีวิตของแมงมุมอีกนิดนึงจะทําให้อิมานของเรานั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับพี่นอ้องอาทีนี้คําว่ายินและไซต์ตอนเนี่ยซึ่งวันในวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็อ่านคุณบ้าว่าไปแล้วไรทีผมขอเล่าหมายอีกท่าหนึ่นะไซต์ตอนนี่มันชอบอยู่กับมนุษย์เนี่ยอยู่ที่ไหนมีอยู่ห้าที่หนึ่ง มันวิ่งอยู่ในกระแสเลือดของมนุษย์ยาจารีฟีมาจารี ด, ดัมมีมันวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของมนุษย์เลยก็ทําไงพี่น้องไม่ให้มันมีอิทธิพลเยอะให้นึกถึงอัลลอฮ์ทุกวินาทีจะทําทได้ไหมถ้าทําได้นะไอตอนมันแอบไปอยู่ข้างหลังหมอเขาเรียกว่าคอนนาสแอบอยู่ข้างหลังนะ พอเราลืมปั๊บมันเข้ามาคนโซนเลยแล้วก็วิ่งไปเส้นเลือดหมดเลยเห็นยังเผอไม่ได้เพราเผอปั๊บอิบลิสมาเลยไซต์ตอนมาเลยเรื่องที่สองนะครับไซต์ตอนมันชอบอยู่ในเล็บเอาใครที่มีเล็บยาวๆมีเปล่านักเรียนหญิงอะ่ะตัดให้หมดนะถ้าเอาเอาไว้เล็บยาวหรือเล็บเท้ายาวเล็บมือยาวอะไรมาอยู่ไซต์อนฉะนั้นต้องตัดเล็บทุกอาทิตย์ใช่หรือไม่ใช่นี่ใครสอนแล้วนบีมุฮัมมัดสอนจะตัดเล็บทุกอาทิตย์ บางคนตัดไม่ได้ก็กัดตัดตัดดีกว่าอย่าไปกัดเลยนะเชื้อโรคเข้าปากอีกเรื่องที่สามนะครับอยู่ในโพรงจมูกคอยชุ่มเนี่ยอยู่ในโพ ร, ง, พรงจมูกใช่ป้ะมันชอบอยู่นะนี่ใครเล่าให้ฟังอัลลอฮ์บอกกับนบีให้นบีมาสอนเราอย่าให้ชะตอนอยู่ในโพรงจมูกฉะนั้นเวลาอาบน้ำน้ำมาดทุกครั้งให้ทําไงให้สซ้งออกมาเนี่ย มีผู้หญิงคนเป็นหมอนนะรับอิสลามเนี่ยที่ศูนย์กลางผมไปพอดีไปพบผมก็สอนกะริมาให้นะผมถามว่าสายเหตุที่รับอิสลามเพราะอะไรเขาบอกว่าฉันไปศึกษาดูว่าวิธีล้างจมูกเนะี่ยล้างไม่เป็นพอไปเปิดดูของมูลหมัดเขาสอนว่าให้เอนาน้ำเนี่ยใส่ปากใส่จมูกแล้วสั่งออกมารับอิสลามเลยฉันยอมจำนวนแล้วศึกษามาตั้งหลายปีว่าล้างจมูกทำยังไงไม่รู้มาเจอ นบีฮุมาส์สอนอัลฮัมดุลิละรอ้องไห้่รับอิสลามโอ้นะครับเอาต่อมานะครับขอ้อที่สี่่ตอนอยู่ในปากนี่นบีเล่าให้เราฟังตอนไหนตอนที่เราอ้าปากหาวโอ้โหเราก็จะอ้าไม่ใช่ไหมแล้วก็วิธีไม่ให้มันเข้าพยายามฝืนอ้าฝืนคอนโทรนเอาไว้ฝืนเอาไว้อมีดูอาอ่านนะครับแล้วเอามือปิดปากด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะ มันก็ไม่ไม่เข้าข้อที่ห้ามันอยู่ในหลังอยู่ในรูหูมันฉี่ด้วยแล้วก็มันก็นอนด้วยจะทาไงจะให้มันออกต้องตื่นนมาตหายุดก็น้บได้ในที่บ้านแล้วมั <c oughs> ทั่วโลกเหมือนกันหมดแล้วนี่น้องแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วก็ต้องปฏิบัติเนี่ยนะอยากให้มันนอนทั้งวันทั้งคืนเล ย, เอยนอนแค่นมาดพอแล้วพอตื่นวันนี้ลูกขึ้นเอาเยี่ยว ใครเี๋ยวใครเดี๋ยวใส่ตอนออกจหูดีกว่าลุกขึ้นน้มาพี่น้องบอกลูกด้วยภรรยาด้วยผูกยาเหมือนกันนะผูกสมาร์ตขั้นยศเนี่ยสูบุ้งยังหนักเลยนะจะอัลฮัมดุลิลละนี่ความรู้ที่ผ่านนาบีสง่างามไหมพี่น้องครับยาปฏิเสธอิสลามและแอนตี่อิสลามนะขวางอิสลามจะไม่ให้มุสลิมสอนเรื่องอย่างนี้นะให้เราได้เข้าใจแบบง่ายๆลยอัลฮัมดุลิลละต่อมาอะยาที่สี่จุสอง فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع نفع ولا ضر ونقول ل ل ذ ي ن ظلموا ج ح و ا النار ذ و ق و َ ا ع َ ا ب َ ن َ ا ر ِ ا ل ت ي ّ ك ُ ن ت ُ م ب ه ت ُ ك َ ذ ب ُ و ن ا ل ح َ م د ل ل ه ف َ ا ل ي َ و م ل ا ي َ م ل ك ُ ب َ ع ْ د ُ ك ُ م ل ِ ب َ ع ض ا ن ف ع َ وَلَا ل ض َ ر َ و َ ن َ ق ُ و ل ل ل َّ ذ ي ن َ ظَلَمُوا Roku azabna a n rilatikun l t u m b i h tu kari bun Allah u akbar. Madu s a b na f a l y a r Warna ni, wainai t a k a k h i r u nul, n a m a i Fajar waini, maing w a i akhirat. Lagak fusi leh, lagak lump fang s u t พาไปรวมตัวกันแล้วที่ทุงมาจัดอัลลอฮ์เล่าเลยวันนี้และยำลิกูนนะี่เล่าใ um ห้ความกรณ์และยำลิกูบ่าวดุคุมลีบ่าวดินโดยไม่แปลว่าอะไรสูเจ้าไม่มีอำนาจอัลลอฮ์บ um ่าวดุกุมลิบ่าวดินแก่กันและกันซึ่งกันและกัน นัฟอาให้คุณว่าลดอรอนและไม่ให้โทษไม่ให้คุณไม่ให้ประโยชน์สิ่งที่คุณบูชาไว้บนโลกดุนยาก่อนตายนั้นคิดว่ามันเป็นผู้คุ้มครองท่านอรรเละเองไม่มีความสามารถาไปดูแบบแมมมุ ม, มเป็นตัวอย่าง เราไ้ฟังแล้วดังกับปริกุหานทำไมไม่ปฏิเสธทำไมไม่เลิกล่ะได้ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮเท่ากัยึดย้ายแมงมุมและกัตัวแมลงมุมเองมันก็อร่อยอยู่ด้วยไม่เห็นเหรอพอทารังเสร็จแล้วฆ่าตัวเมียฆ่าตัวผู้ฆ่าไม่ได้ก็ไล่มาให้เข้าไม่เข้าบ้านพอค้อลูกออกมาแล้วลูกพอโตหน่อยไล่แม่ไม่ให้อยู่บ้านแล้วมนก็ฆ่าแม่ ี่ชีวิตไปอย่างนี้เอาเหรอนี่กขาเล่าให้เราฟังอะเรื่องอย่างนี้ทำมไม่พอเลยที่อิสลามสังเกตนะในกัมภีรกุรอานน่ะมีสุรสัต ท, ท่าไหรมมี ม, มดอนันน้ำหลวอังกบูตบากอรอโลแม่เป็นชื่อสัตว์สัตว์สัตว์หมดเลยละแล้วก็ชื่อนบีมีไหมมีเดอมีใครมีนวอิบรอฮีอยู่สองสคนเองใช่ไหมแล้วก็ ชื่อวีมุฮัมมัดอมีด้วยอ่แล้วก็ชื่อภรรยาอบดุีมีไหมไม่มีนี่จะชื่อสัตว์ชื่อสัตว์เรื่องลูกกุอิสลามมีฮัตในคุณอ่านมีช่วงอที่ผ่านมาแล้วนอกนั้นไม่มีใครเลยทําไมอัลลอฮ์พูดทางสัตว์สัตว์สัตว์ในกุณอ่านเยอะมันเป็นข้อเตือนใจสําหรับพวกเราให้ศึกษาสัตว์ไม่ใช่วิชาในวิชาอื่นเราจะต้องไปเรียนอีกก็ยังไงะอลลอักบัตถ้าไม่อิมามเราเพิ่มน่ะนะครับเอาต่อมาครับ ตลงว่าเราไปบูชาสิ่งอื่นเคารพสิ่งอื่นพักดีต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เล่าให้ฟังเองเนี่ยนะไม่มีประโยชน์ไม่สามารถให้คุณได้และไม่สามารถให้โทษกับคุณได้ด้วยนะวานากูลุลิลล์ซีนาลอลาโมและเราอัลลอฮ์จะกล่าวแก่ผู้ที่รอนาลอลมมาถึงปทำร้อลแลงกับตัวเองอ่ะก็เรียกประพุทธ ประพฤติผิดนะคนชั่วนะคนรอเล่ห์คนอาธรรมเป็นไหมอารออใช้ภาษาหนักนะะท่านคนที่ไม่เอาวารรบนโลกดุนยาเบนี้ในวันเกียวมาอารออเรียกคนหน่นะคนรอดเล่หแต่คนรอดเล่หเนี่ยใครพอใจมากเป็นอาธรรมนะเอกนี่คนผิดนะประพฤติชั่วนะไม่มีใครอยากฟังเราพี่น้อง รูปคูอาญาบันนารูกคูประจมลิ้มจมชิมจงลิ้มอาญาการลงโทษอะไรครับอันาตอะไรไฟเจอไฟน่ก็ต้องนึ ก, กินะไฟดูยากับไฟอาคิเคโรต่างกันไหมโอ้ไฟดูดยานแค่หนึ่งเอร์เซ์อาเเท่าไหร่ รอีก 70% ็อน้อนมากกว่านี้ไม่รู้กี่เท่าต่อกี่เท่าต่อเท่านึกภาพอย่างนี้นะไม่กล้าทำบาปาจะไปทเดินตามคุณอ่านดีกว่าสบายใจคุณน้องัลลอฮฺทีุ่นตุมบิฮิบิบิฮะทุกข์ิบุนอัลลอฮฺทีุ้นตุมบิฮทุกิบุนเป็นการลิมรถการลงโทษของไฟนรกที่สู่เจ้าเป็นผู้ มุสาเป็นคนที่โกหกไม่เชื่อว่ากุรานก็ดีมุฮัมมัดก็ดีอิสลามก็ดีมาจากอัลกอคุณไม่เชื่อปฏิเสธใช่ไหมวันนี้คุณจะต้องชิมการลงโทษด้วยไฟอันร้อนเพราะอยู่บนดุญยานี้ทำไมไม่ใช้ปัญญาคุณใช้ปัญญาได้ทุกเรื่องพอเรื่องอากีด้านีไม่ยอมใช้ปัญญาเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลา์พี่น้องทีนี้คำว่า ชริกเนี่ยมันตัวตัวอันตรายนะคนคนอาดับเป็นอย่างเงี้ยคนอาดับในสมัยนะบีนี่นะครับเวลาไปเคารบสิ่งอื่นนอกจากอัลอลอฮ์เนี่ยนะสิ่งที่เขาบูชานะเป็นเป็นผู้หญิงหมดเลยนะเป็นเชื่อผู้หญิงหมดเลยเนะี่ยในโลกนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมเป็นเชื่อผู้หญิงมีแต่แม่แม่แม่พ่อไม่มีเราไม่แต่แม่ใช่ไหมแม่อะไรบ้างธรรมะเจ๊ แม่โกเนียเราติอยู่ปัตตานีใช่ไหมมีแต่แม่แม่แม่แม่เที่ยวรอร้ายเราฟังเองฉะนั้นสิ่งที่บูเขาบูชาอยู่จะเป็นเจ้าแม่ทั้งหมดนี่นะไม่สามารถช่วยท่านได้ในโลกอาคิยร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาอายาที่สี่สิบสามวาธุสลอะลัยิมอายาตุนาบายนาต قالوا ما هذا إلا رجل إلا رجل يريد أ, إ ي, ي ص س د ك م أما كنا يعبدوا ب ا ك م وقالوا ما هذا إلا إفك م ف ت ر وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا صحرم مبين وإذا ت ت ل ع عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا ดูเลยยูเรียดُยูเรียดูอ้ายยาสุดกุ้มอามะกันยาบ و ดูอาบาอุคุมว่ากุลุมาฮาซาอิลลาอิฟกุ و มุฟตา ลัมม a จ a ฮุมอินฮะดะอินลาสุฮรุมอบีนอัลลอฮุวาัลลอฮอายานี้อัลลอฮฺเล่าให้ฟังนะบวกกับนบีนะคนจะต่อต้านท่านบวกกับนบีมั่ัไมให้รู้ที่นำเอาความรู้วาฮีมาสอนนี่นะคนจะแอนตี้นะ ใครหนาะยญาตินบีทั้งหมดนะจ๊ะเามาดูกุรานว่าอิละตุสลาอะไลฮิมอายาตูนาไบินาไบินาเดแ๋ยวว่าชัดแจ้งไม่มีข้อโต้แย้งเลยไม่มีข้อสงสัยเรื่องมาแรงเรื่องบางบุญมุตะกี้เนี่ยจนปัญญาแล้วนะ่ะเล่าให้ฟังแล้วนะไม่เชื่อเรื่องเอง ว่าอิจาตุทะลาเมื่อถูกอ่านถูกสายายถูกบรรยายอะลัยหิมให้กับพวกเขามาถึงคนมุสลิมกาเฟตญาญาตินบีทั้งหมดนั่นแหละอายาตุนาสัญญาณต่างๆของเรามาถึงคุรอ่านที่นำมาสอนเรือมั่งยีศาตต่างๆที่นบีนำาอำมานำาอำมาสอนมาสอนนี่นะ ใบยีนะแปลว่าชัดเจนชัดแจ้งร อ, อถึงพิพสูจน์ไม่ได้ในวันนี้แต่ถ้าเรียนไปเรียนไปจะเจอใช่เลยนี่อย่างเนี้ยเลาเ ล, ล, ล่าเรื่องนบีนบี เ, เรื่องฟารโรตายคนที่เอาศพฟารโรเนี่ยไปศึกษาเนี่ยล้วมีหมอมุสลิมก็นั่งอยู่ด้วยบอกพอวิจัยแล้วเรามีสาย มีสายอยู่ในเนี่ยอยู่ในร่างของของฟ้าโอ้มีสายได้ยังไงก็มีหวมัวมุสเินก็บอกโอ้ในคอมีิวเร์คุณอ่านพูดไว้ก็ตายในน้ำทะเลฮะจริงเหร อ, อเอาเอาคุณอ่านมาดูหน่อยสิพอมาดูภาพวิจัยตทำงนานหลายปีทำไมมีสายพอมาเจอคุณอ่านเขยอมจำนน ค่อยๆรับ伊斯兰นีละคนละคนนี่ไงใบนีนาตินสัญญาณของอัลลอฮ์ที่ให้กับนบีมุฮัมมัดมาเลยนะใบีนามันชัดแจ้งอัลลอฮ์อัลบาตพอศึกษาไปจะเจอหมดเลยอัลลอฮ์อัลบาตอะไรกรันศึกษาเรื่องมัมมี่ก็รับอ伊斯兰นี่ศึกษาเรื่องแมงมุมอีกนะ่ะประชาชนรับ伊า兰กันหมดแล้ว<笑>มันจนปัญญามันไปไหนไม่รอด พออัลลอฮ์เล่าเมาเรื่องจริงทั้งหมดน่ะแต่เอ็มไปค้านนบีมุ hammad ทำไมอะ่ะนบีเป็นตัวแทนของอัลลอฮ์บนโลกดุงยาไปนี้เวลาจะเล่าเรื่องลับๆให้มนุษย์ฟังเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ลงมาเองนะอัลลอฮ์จะแต่งตั้งนบีมาแล้วก็ให้ความรู้ผ่านยิบรีนให้ยิบรีนําเอา ม, มาบอกกับท่านนบีข้งล่างนี้ฮามุลิาลาไปเนาะ ไว้จะตุลา عليهم อายตุนาใบนาเมื upp, ่อองค์การทั้งหลายของเราอันชัดแจ้งเนี่ยได้ถูกสาทยายแก่พวกเขาัล hm ่อไปน้องครับก็รูพวกเขาตำหนิว่าด่าว่าต่อต้านต่อต้านใคร ว่าอย่างนี้มาฮาดะนี่ไม่ใช่ใค ร, รมาเพราะวะ่าไม่ฮาดาคนนี้ไม่ใช่ใครเมื่อกีน บ, บีมุฮัมมัดเนี่ยอิลลารอยูรุนเป็นเป็นชายคนหนึ่งนอกจากผู้ชายคนหนึ่งพวกคำว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยม่ใชยกย่อมนะให้ให้เกียรติหรือเปล่า ความจ น, น บ, บีตาแหน่งใหญ่ไหมนะเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แต่เวลาพูดอิลลารอจุลุนเป็นผู้ชายคนหนึ่งเหมือนเรานี่แหละ <c oughs> ดาราชมกาลังตทำหนีน บ, บีอย่างนี้เนี่ยเราเล่านื้อประาณให้ขุนมาฟังรู้เปล่าเนี่ยชาวบ้านเขาติทันวายอย่างเงี้ยอิลลารอจุลุนคุณเป็นผู้ชายคนหนึ่งยูเรืดูไรอย่าสุดดากุมปาถนาอยูร่รก็ว่าปาธนามุนมาศเนี่ยนะ เป็นผู้ชายที่ปรารถนาอา ย, ยุสุดกุมที่จะทำให้พวกเราเนี่ยหันห่างจากลัทธิอัลลอห์อักบัรกานายาบูดูอาบะอกุมลัทธิที่บรรพบุรุษของพวกท่านได้เคยเคารพ <c oughs> นี่ชาวบ้านเขามองนบีเนี่ย มองนบีว่ามุฮัมมัดเอาความรู้ที่ผ่านวหฮีมาสอนนั้นมาหลงทางนะมุฮัมมัดได้ต้องการที่จะมาอะไรนะมาทำลายความเชื่อของบรรพบุรุษที่เคยปฏิบัติกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยมุฮัมมัดมาทำลายเหมือนกับพวกเราวันนี้ที่เอาสุ น, นัขมาสอนเนี่ยชาวบ้านว่ายังไงคล้ายกันนะนี่มา มาอะไรนะั้นมาต้องการที่จะมาทําลายความเชื่อบูญย่าตายาที่เราเคารพกันมาตั้งนานนมแล้วมาทําลายเห็นอย่างกับเนี่ยล้อเล่าให้นบีมุฮัมมัดฟังเขาดา่นานบีนะรู้ไหมประดายอย่างนี้แหละเองเนี่ยมาขัดขวางมาทําลายนี่ถ้าเอาเรื่องเก่าๆมาด้วยเนี่ยนะโอ้โหนบีถูกตําหนิเยอะเอาของยกไปฝังในฟังเนึงนบีถูกถูกต่อว่าว่าเป็นไรนะเป็นผู้ที่ ขัดขวางสองสร้างความแตกยแยกเราอยู่กันสบายๆอยู่แล้วนี่นะเคารพ บ, บูชาลาดอุ ز า د มนาตสิ่งเจเบตต่างๆที่เป็นผู้หญิงทั้งหมดนี่นะมันดีอยู่แล้วมื่อมัดมาสอนนี่แล้วยึดเอลาละองค์เดียวเอลาลอดูมุฮัมมัดทำสิใช่ไหมแล้วก็ตําหนิมุฮัมมัดว่าเป็นอะไรนะเป็นนักมายากลเป็นมายากลทําให้พวกเราแตกแยกกัน ถูกกล่าวหาว่าเป็นช่างฝันถูกกล่าวหาว่าเป็นนักบอมแปลงถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าถูกกล่าวหาว่าเป็นนักเล่นกลถูกกล่าวหาว่าเป็นโหรเป็นเป็นกวีมามาถูกขว้างถูกโหถูกอะไรนะถูกขว้างโดยกอนหินที่เมืองตออิฟเนี่ยนี่นบีถูกหมดเลยน่ะในอดทนรึเปล่าอดทนเห็นไหมถ้าไม่อดทนอิสลามมาถึงกุฎถึงกอธรรมอไม่ ถ้ามอห์มัดท่านนบีไม่อดทนอิสลามไม่ถึงพวกเราวันนี้ซอบ้านนบีอดทนขนาดไหนอัลลอฮฺอัลลอฮบัสซาดจึงต้องนึกถึงนี่เรเป็นเนี่ยมหมัอมมดอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺจให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการลงโทษลังในกูโบสปลอดภัยจากการลงโทษที่ลุงฟังศพแล้วในอคัคเครออีกเนี่ยต้องยึดอิสลามยึดแท็กนามของท่านนบียึดอัลกรุรอานสุนนะเป็นแบบแบบในการปฏิบัติชีวิตของเราประจำวันอัลลอฮฺอัลบัส ตลลัลวงวานาบีถูกตำหนิไหมถูกตำหนิตำหน well, ิว่าไงครับผู้ปัจนาจะหันห่างจากลัทธิที่บพระบุรุษของพวกเรานะครับที่ได้เคารพมาได้ปฏิบัติกันมาว่ากอลารีนักฟรูลิลฮักติลัมาจอาอุมนี่ไม่ใช่อะไร พวกเขากล่าวว่านะครับมาฮาลาอิลล ah ัฟกุนพวกเขากล่าวว่านบีเนี่ยมาเพื่อจะมาหันห่างพวกเราจากลักทธิที่บันพระบุรุษของพวกท่านได้เคยเคารพอาบาอุกุมเนี่ยหมายถึงอะไรนะบัญพระบุรุษนะวะโคดัลลาีนักกัฟลุลัมมาเจอุม แต่วพวกเขาก่ออีเวนต์ไม่ใช่อะไรนอกจากนําเรื่องเท็จอิฟกูลบะว น, นําเรื่องเท็จมุฮัมมัดนี่ไม่ใช่ใครเราก็นําเอาเรื่องเท็จมาเราก็ปั้นเรื่องเท็จให้เป็นจริงโอ้นี่ดาคายดาทำใมุฮัมมัดวกอลเลอร์ีนัการฝรส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธก็กล่าวเกี่ยวกับเกี่ยวกับอิสลามคือคือคนมุชริกมี ละคนกาเฟตมีอยู่ในละครมักกาเนี่ยนะสองคนก็น ก, กล่าวคล้ายๆกันพูดเหมือนๆกันคนกาเฟตพูดอไงนะลิลฮักต์พูดถึงเกี่ยวกับอิสลามเรื่องศสัจธรรมว่าเป็นเรื่องที่ไหนนะเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดปฏิเสธทั้งหมดอินฮะอิลซิฮรุมมูบินนี่ไม่ใช่อะไรอินบวาวนี่ฮารา อันนี้อินแปลว่าไม่ใช่ฮาดาแปลว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรนอกจากการมายากลเป็นเซฮารุนมุบินเป็นมายากลเท่านั้นเองนี่ดานาบีแล้วก็ดากุณอ่านด้วยว่าเป็นมายากลเอามาสอนกันอะไรกันใช่ไหมจนแล้ว่าคุณอ่านในถูกตําหนิไหมถูกตาหนิอัลลอฮ์ถูกตาหนิเพราะว่าพ่อเออพ่อเออพ่อเออเ อ, นะอัลลอฮ์เลยนะอัลลอฮ์ด้วยโมหะมัดด้วยคําพีคุณอ่านด้วยสุนานะนาบีด้วยถูกตาหนิหมดเลยทั้งคนกาเฟ่และคนมุชยิกพูดคล้ายๆกัน ชีวิตนบีพี่น้องกับขวาเล่านิดหนึ่งนะอดทนสูงนะนบีอยู่นครมักกาเนี่ถูกอย่างนี้ถูกกักบริเวณเคยยินบาปเขืใช่ไหมถูกกักบริเวณนะไปซื้ออาหารข้างนอกไม่ได้ต้องกินใบไม้เรื่องที่สองนบีถูกไล่ออกจอากนครมักกะนี่เอาชีวิตท่านมาศึกษานะเรื่องที่สามนาบี เ, เคยถูกออกออกทาสงครามแล้วก็ฟันนบี ข้อที่4ท่านยิงไอาชาถูกถูกอะไรนะถูกใส่ร้ายว่าเป็นเป็นชู้หนักั้มเรื่องที่ห้าสวาบานาบีที่เป็นฮาฟิซษกษูรานะถูกฆ่าตายเจ็ดสิบค น, นเวลาเดียวกันนะอ น, นึกถึงพี่น้องไดในยุโรปที่ถูกฆ่าในมัสลิดนะก็จำนวนคล้ายๆกัๆนนะเจ็ดสิบเจ็ดสิบประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ลูกนบีเสียชีวิตลูกผู้ชายเนี่ย นบีก็เสียใจลูกตายชาวบ้านนั่งด่าอีกเห็นไหมเรื่องที่แปดนบีน่ยเคยเคยเอาหินผูกท้องเราไม่เคยใช่ไหม <c oughs> เอาหินผูกทองแล้วก็มีบางคนมาขออาหารนบีแลก็เปิดทองนบีดูมีหินผูกนบีก็เปิดว่านบีมีสองก้อนอยู่แล้วนบีไม่เคยบเบื่อใช่ไหมนี่ชีวิตยังยไงครับ แมามาศึกษาต่อว่าชีวิตหิวกับอิ่มนะไหนดีกว่ากันชีวิตที่หิวหิวนั้นมีบรารกัดทาให้สมองดีอะไรดีชีวิตที่มีแต่กินอิ่มอิม อ, มอิมนะแล้วก็ฉลาดหรอกคิดอะไรก็ไม่เคยออกด้วยอะฉะนั้นจึงให้มีถือสินอดใช่ไหมเพราะถือสินอดละอ่านกูอ่านดิกรุลล้ออ่านร้อว่าทําให้สมองในชั้นหนึ่งเลย อันอัลไซเมอร์ก็ไม่ไปมาด้วยฉะนั้นคนที่ถือบวชมันจันทร์วันพุธหัดสม่ำเสมอนี่นะเราทานอย่าอิ่มเยอะนะ่นห้องดุลีลากระปีก่กระเป๋าแข็งแรงสูยญดก็ง่ายรูุ้กขกวัตก็ง่ายอลัลลอฮฺบอกเอาต่อมานะครับนบีถูกตําหนิอะไรนะเป็นซาเฮตเป็นนักมายากรแล้วก็เป็นกําไพ อ, อีกอลลอฮฺเฮ้ยยังครับแล้วก็เลี้ยงแพ้อีกนบีอาชีพเลี้ยงแพ้ทาไมต้องเลี้ยงแพะอลมามะก็แนะนําว่าพวกแพ้น่ะเป็นสัตว์ที่มันซนที่สุดน่ะ ท่นคนที่ผ่านการเรียนแพทย์มาแล้วอยู่กับคนสบายห้ามดูลินแล้วพี่น้องมาต่อมาอายะก์สุดท้ายว่ามาไตนาหุมมิงกุตุเบมิงกุตุบียะดุรุสูนา Wahai arsalna ilaihim kabala kami naziir, wahai atainahum mingkutub ya darusro nah, wahai arsalna ilaihim kabala kami naziir. Alhamdulillah. Ayat ni d i makapin. ดูศัพท์นะกุตุบกุตุบมาถึงคำพียัยดรูซูนะฮะแปลว่าพวกเขาทั้งหลายได้เล่าเรียนได้ศึกษายัดูรูซูนะฮะมีหนังสือเอาไว้ทำอะไรเอาไว้อ่านใช่หรือไม่ใช่มีคำพี์เอาไว้อ่านใช่ไหม ทางพวกเราอ่านกว่ากุณอ่านจัการอ่านคุณอ่านมีสองอย่างหนึ่งอ่านให้จบเป็นอะไรนะเป็นเล่มๆไปเลยเอาไปเรยอ่านไปอีบามชาบี้เนี่ยโหวันหนึ่งวันหนึ่งอ่านจบเป็นเที่ยวน่ะอีบามทั้งมวลเขาอ่านกุณอ่านกันเยอะพวกเราอ่านกันดีกว่า ทันมีคำพีเอาไว้มีคำ ค, คำพีราบูตะรออินจีที่ผ่านมาแล้วคำพีกุานาเนี่ยยาดรูสูนะฮะมีไว้เพื่อเอาไว้ศึกษาเล่าเรียนหาความรู้นี่สอนใครสอนนบีแล้วสอนพวกเราด้วยว่ามีคำพีกุอาอยู่บนบ้านคำรู้ทัวนั้นมาจากชั้นฟ้าหุดเลยเนะเอาไปทำอะไรมา กองไหวหอพ้ออาใช่ไหมไม่เคยเปิดใช่ไหมพิหน้าเป้าหมาคือเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อศึกษายะดูรูซูนะฮะเพื่อศึกษาดตัวนี้ส่วนลุทฟปนั่งคุยกับผมข <c oughs> บอกว่าสซบะโซบ้านนบีนะเขาอ่านหนังสือเล่มเดียวประวันหนังสืออะไรพูดอา่านเล่มเดียว เขาช่วยศาสนาของอัลลอฮฺอย่างสง่างามเลยแล้วพวกเราวันนี้อ่านหนังสือทุกเล่มที่คนอื่นที่คนเขียนยกเว้นคำฟรีกุรอานที่ไม่ได้อ่านออ ใ, ชใช่ไหมเออใช่แห้ยเห็นไหมวันนี้เราอ่านหนังสือฝรัง่งหมดเลยหนังสือที่คนเขียนหมดเลยอัลลอฮฺเขียน oh, <ๆ S 1> อ่านจังเลยนะยกเว้นคำฟรีกุณอ่านไม่ได้อ่านนี่อัลลอฮฺสอนกับนบีนะครับ ว่ามาไตนาหุมและเราอัลลอฮ์มิได้ประทานมิได้ประทานมินกูตูบินปวงคัมพีแก่พวกเขาชาวมักกะยาดูรุสูนะที่พวกเขาจะได้เล่าเรียนศึกษาหาความรู้ ท่า น, นคนที่มีคำพีเนี่ยต้องเรียนใช่ไหมต้องอ่านใช่ไหมต้องหาความรู้ไหมนี่สอนให้พวกเราเนี่ยต้องอ่านตงซื้อแต่ชัยตอนมันก็เยอะอย่าอ่านอย่าอ่านพไม่อ่านก็ความยาเห็นก็เข้ามาพอเข้ามาชัตอนหลอกง่ายอะ่ะเออมันไม่รู้อะไรเลยนี่หลอกง่ายจูจมูกก็ง่ายย่อมสติปัญญาความคิดง่ายหมดเลยอะ่ะ นี่ทารู้เนี่ยก็ใช้ตอนนะพูดนะฉันยกเว้นคนที่มีอีมานคนที่มีอีมาดต้องเรียนหนังสือนะอีมาดมันจะมาได้ยังไงเลยพี่น้องถ้าเราไม่เรียนไม่ค้นความไม่เสียสละไม่จิฮารดเนี่ยพี่น้องมันต้องเสียสละต้องอ่านสาวานบีเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกแต่ยิบรีนนี่ยลงมาทุกวันเอาความรู้มาให้นบีวันหนหลายรอบนะเห็นไหมแล้วเร า, เนาในมัชชัยนบีต้องอ่านวปลว รวัววายเราต้องอ่านหนังสือ <l acht> ้ออักบัตว่ามาอาใจนะหุมมิงกูตูบียาดูรูสูนะและเราอัลลอฮไม่ได้ประทานคำภีปวงคำภีนะแก่พวกเขานะชาวมักกะเอ๋ยที่พวกเขาจะได้ยะดุรูสูนะจะได้เล่าเรียนหาความรู้จากคำภีที่เราประทานลงมาเช่นคำพีคุณอ่านเลยม น, นี้นะ ไม่กี่เรื่องน่ะเรียนเรื่องแมงมุมมดจกกีล้วก็งงแล้วอ๋โลนี่ตัวเมียมาไล่ตัวผู้มันออกจากรางังจากบ้านมันตัวเมียชักใหญ่เพรู้นี่พะคลอดลูกแล้วพอลูกมันโมไล่แม่ออกจากรัง้วมาก็ะ่าแม่เห็นยังในชีวิตนี่พออ่านกุณอานจะเจอเรื่องอย่างเนี้หมดเลยเา อ, อนอะไรกันเนี่ย ฉันเราต้องอย่าเอาอย่าเอาเป็ดไก่เป็นแบบในการสมผสมพันธุ์ไม่มีไม่ต้องเป็นนักนักดิกาแต่เราม่ต้องนึกนบีเป็นแบบจะแต่งงานต้องนึกถึงนบีโอ้นบีนบีนบีนบีนบีทำยังไงทำยังไงผมอ่านัยนาอเล่มาขอลู้สาวนบีแต่งงานไซนาเล่มาคนเดียวนะมาที่บ้านนบีมองเหมือนอัลลอฮ์ให้รู้นี่แหละไซนาเล่ จะมาขอลูกสาวฉันแต่งงานใช่ไหมท่านนี้บอกใช้กับนามนามํามคุณมีมหัสอะไรบ้างสเกะตมีไหมบอกมีไปตามคนมาเลยเจ็ดแปดคนนม่กล้าเลยทำไมอ่ะเป็นอย่างนี้เพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าการในการเนี่ยทำเป็นเรื่อง ง, ง่ายง่ายได้ไหมถ้าทำเป็นเรื่องยากยากเนี่ยเด็กมันรคไม่ไหวอ่ะคืปัจจุบันนี้ อัลลอฮ์ตัวอัลลอฮ์การทำศีลนาเต็มไปหมดเลยใช่หรือไม่ใช่อ่ะอิสลามเป็นห่วงอ่ะเป็นห่วงเรื่องนี้ให้นบีมาเป็นแบบอัลลอฮ์นะอุบิลละฮัมดุลิลละเอาตัวมาครับว่าอัลลอสัลนะอิลฮิมและและเราไม่ได้ทรงและเราเนี่ยนะม่ได้ทรง อิละฮิมไม่ยังพวกเขาก็บล ก, กะก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมินนารีรินผู้ตักเตือนต้องการจะบอกว่าชาวมักกะเอ๋ยก่อนหน้านาบีมุฮัมมัดมาเนี่ยนะก่อนหน้านี้ในในซาอุดีอาระเบียนะไม่เคยมีนบีมาก่อนนะแล้วก็ไม่ไม่เคยมีคำพีมาก่อนนะ แล้วพวกคุณที่นับถือปฏิบัติก็อยู่ปฏิบัติตามปู่ย่าตายายกันหมดนะเข้าใจนะปฏิบัติตามปู่ย่าตายายแล้วก็ต่อมาพวกคุณอยู่ในทางหลงในช่วงนั้นอลัลลอฮ์อาจจะไม่เอาโทษก็ได้ใช่ไหมละ่ะเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดมาแล้วนบีแนะนานเอาความรู้จากอลัลลอฮ์เป็นวาฮีที่บริสุทธิ์สะอาดเป็นความรู้ที่มาจากอลัลลอฮ์มาสอนคุณคุณไม่ไม่อะ ไม่นึกถึงเนี่ยหมัดตรงนี้ใช่ไหมที่ทานบี ม, มุฮัมมัดมาเนี่ยนำอาความรู้ที่บริสุทธ์ปลอดภัยทางดุนยาไม่ถูกลงโทษในอาคิร์ร์ไม่ถูกลงโทษอยู่ในกูโบเนี่ยคุณมองเนี่ยหมัดอันนี้คาบมหมดเลยแล้วมืก่อนนี้ความรู้คุณไม่มีนบีไม่เคยมานีนบีอิสมาอินใช่มอยนครมาต้เนี่ยอพันธุ์มาแล้วนบีอิบรฮมับนบีอิสมาอิไปไ้ที่นั่ที่ม ก, กบปัจจุบันนี้นะ บ้านไม่มีต้นไ ม, ม้ไม่มีพิสมนีไปอยู่นะั่นดีมากล่ะก็มาแต่งงานกันมันนบีคนแรกเนวะ้ยไม่รู้ว่าที่ผ่านปีก่อนหน้านะบีม ahoma ต์หลังจากก่อนหน้านะบีไม่มีนะบีมามาเลยที่นครมาตาพวกคุณอยู่ในกลุ่มมนุยทฉะนั้นเราไม่ควรอา่านรับประทานความรู้มาคุณต้องปฏิเสธเออก็ต้องการจะให้คุณนะปลอดภัยและเป็นแบบอย่างกับชาวโลกด้วยอ๋อ เอาวันนี้เม ก, กะกลายเป็นประเทศที่ทุกคนก็จ้องมองอยังอยากไปทําดุโมไปทําวายีกันแต่ตอนนี้ไปไม่ได้ก็ประกาศแล้วนะมไนะม่ อ, อะไรนะไม่ให้เข้าเราอะไรนะโควิดไม่ดีแต่มีคนตำหนิบอกว่าคอนเสิร์ตจังได้จต่อุ้งรไม่ให้เข้าอันนั้นรองจากประเทศไหนเข้ามารอมกัน เขาเล่านะนี่ลงข่าวเป็นตอนนนก็นั่ง อ, าอ่านเรื่อนน้อยเป็นเราอาลัมแต่ว่าพี่น้องทำบุญเาเียหายย้ามเขา้าตอนนั้นเราดินดินมันจะตาะะ่างประเทศนะไปดูคอนเสิร์ตเข้าได้ชมดว้วาพี่ิดเองแลัน อ, อพี่น้องสรุปว่าเนี่ยเลาต้องการจะบอกว่ามสาศาสนาอิสลามศานาที่แท้จริงผ่านวุีนี่มาจากอัลลอฮ์นะคุณม่ปฏิเสธเที่มาก่อนหน้าเนี้ยคุณไม่เคยมีมาดีมาก่อน พอมีน บ, บีนานจะต้องขอบคุณแลจะลาเขเยอะมากนะครับอ่นอครับหมดเวลาครับก็ขอตัวต่อรอนะคือชีวิตของน บ, บีเนีน่ยพิมพขอเล่าอีกนิดหนึ่น น, น บ, บีมุฮัมมัดนี่คนผู้ศรัทธาต่อรอดต้องให้ความสำคัญกับท่านน บ, บีอาซิรุหูวานาสอรุหูวนรูช่วยเหลือน บ, บีวัตตาบะฮูแล้วก็ปฏิบัติตามน บ, บีนะ หน้าที่เราปฏิเสธีไม่ได้เลยสุนบีแต่ละข้อลนมาวิเคราะห์พุทธนาและเตานะัลลอฮบิฮัมดิอลาลลฮอลฮัลลอัสตุวาตูบิลออลลฮอลมุฮัมมัดวะลาอวะซดุลลอ นม่